بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم ا ل م ص ح ف الشريف ل ل أ غ ل سعد الغامدي. الشريط السادس عشر ويحتوي على جزئي ت ب ا ر ك وعم. نعم بود المول. بود المول بن ب و مكيا مي 30 بونك. บทนี้ได้เริ่มโดยการชี้แจงถึงเป้าหมายอันดับแรกโดยกล่าวว่าอำนาจทั้งมวลอยู่ที่พระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงปกป้องคุ้มครองจักรวาลทั้งมวลพระองค์เป็นผู้ทรงจัดระบบในจักรวาลทั้งหมดด้วยการสร้างและการให้บังเกิดต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตกแต่งชั้นฟ้าด้วยดวงดาวที่มีประกายสดใสทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงเดชานุภาพของอลัลลอฮ์ และความเป็นเอกภาพของโปรง่งบท น, นี้ได้กล่าวถึงบรรดาคนชั่วอย่างละเอียดพอสมควรโดยที่พวกเขาจ้องมองดูนรกขณะที่มันกำลังเดือดพล่านมันแทบจะระเบิดออกเพราะความเครียดแค้นต่อบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์และได้เปรียบเทียบระหว่างบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างชักชวนให้ทำความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นความชั่ว หลังจากที่ได้นำหลักฐานและข้อพิสูจน์บางชนิดที่บทนี้ได้เตือนถึงการลงโทษและความกลิ้วของพรุ่งจะเกิดขึ้นแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้ดื้อรั้นเหล่านั้นบทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนและการถูช้าทับแก่บรรดาผู้ที่ต่อต้านและปฏิเสธการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลว่าพวกเขาจะต้องประสบกับการลงโทษในขณะที่พวกเขามุ่งหวังกันที่จะให้ท่านรอนซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม และบรรดาผู้ศรัทธาประสบความตายและความพิ่น่าบทนี้ถูกขนานนามอีกว่าอัลวาติยะและอัลมุลญิยแปลว่าผู้คุ้มครองผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยเหลือเพราะบทนี้จะป้องกันหรือคุ้มครองผู้อ่านให้พ้นจากการลงโทษในสุสานท่านนาบีลสละลัลลอฮุวาสซัลลัมได้กล่าวว่าบทนี้จะปกป้องและช่วยเหลือให้พ้นจากการลงโทษในสุสาน ب ิ سمِ اللهِ الرَّحْمَنِ ا ل ر ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ي ي ความจำเริญจงมีแดดพระผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งอผู้ทรงให้มีความตายและมีความเป็นเพื่อทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชะอนุภาพผู้ทรงให้อภัยเสมอ ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆเจ้าจะไม่เห็นแต่อย่างใดในความไม่ได้สัดส่วนในการสร้างของพระผู้ทรงกรุณาดังนั้นเจ้าจงหันหลังกลับมามองดูซิ เจ้าเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไห ม, ม, มลแล้วตนนั้นกลับมามองอีกเป็นครั้งที่สองสายตานั้นก็จะกลับมายังเจ้าด้วยการยอมจำนนในสภาพที่มีความยั้งเฟ และโดยแน่นอนเราได้ประดับท้องฟ้าของโลกนี้ด้วยดวงดาวที่มีแสงและเราได้มันเป็นอาวุธไล่ชัยตอนและเราได้เตรียมการลงโทษด้วยไฟอันร้อนแรงไว้สำหรับพวกมัน ในสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นคือการลงโทษแห่งนรกยานนำและมันเป็นทางกลับที่ชั่วชายิง่งเมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนรกพวกเขาจะได้ยินเสียงของมันร้องครวญคราง ขณะที่มันกำลังเดื่ดลลอทาา่ า, า, า, า, า, ม, า ม, มันแทบจะระเบิดออกเพราะความเครียดแค้นทุกครั้งที่พวกหนึ่งถูกโยนลงไปในมันยามเฝ้านรก จะถามพวกเขาว่าไม่ได้มีผู้ตักเตือนมายัางพวกเจ้าหรือพวกเขากล่าวว่ามี ไม่มีผู้ตักเตือนมายังเราแต่พวกเราได้ปฏิเสธและเราก็กล่าวอีกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมากแต่วพวกเขากล่าวอีกว่าหากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาที่ควร พวกเราก็จะไม่ได้เป็นชาวนรกอย่างนี้หรอรกพวกเขายอมสารภาพความผิดแต่มันห่างไกลไปเสียแล้วสำหรับเป็นชาวนรกอินนัลดีนยัขชอนระบจ้าของตนในคมมววคบคบิดหระอ์รอัยบละใหรคร แท้จริงบรรดาผู้ยอมเกรงต่อพระผู้บุบานของพวกเขาโดยทางลับสำหรับพวกเขาจะรับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่และพวกเจ้าจงปิดบังคำพูดของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตามแท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในสวงอกดี อลลลลมันกวีุพระผู้ทรงสร้างจะไม่รู้ดอกหรือพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนพระองค์คือผู้ทรงทำให้แผ่นดินนือราบเรียบสำหรับพวกเจ้า ดังนั้นจงสัญจรไปในขอบเขตของมันและจงบริโภคจากปัจจัยอย่างชีพของพระองค์และยังพระองค์เท่านั้นคือการเฟื้อคืนชีพนน اء, รรพวกเจ้าจะปลอดภัยหรือจากการที่พระผู้ทรงสถิตยอยู่ณ ฟ, ฟ, ฟ้าจะให้แผ่นดินสู่พวกเจ้า แล้วขณะนั้นมันจะวันไหวสันสเนนสถอยรหรือว่าพวกเจ้าจะปลอดภัยจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่หน้าฟากฟ้าจะทรงส่งลมหอบก้อนปรวดให้กระนำมายัางพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็จะรู้ว่า การตัดเตือนของข้านั้นเป็นเช่นใดแต่โดยแน่นอนบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไรอแลัวมีเราอิละที่ริ่งต่อม้าฟสาทิวและกบิฏ พวกเขาไม่ได้มองดูนกที่บินอยู่เบื้องวนของพวกเขาดอกหรือมันกางปีกและหุกปีกของมันไม่มีผู้ใดจะไปจับดึงมันไว้ได้นอกจากพระผู้ทรงกรุณาแท้จิงพระองทรงมองเห็นทุกสิ่ง หรือผู้ใดเล่าที่เป็นพักพวกของพวกเจ้าที่ช่วยเหลือพวกเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณาแท้จริงพวกปฏิเสธสถานนั้นไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากการอยู่ในการหลอกลวงเท่านั้น หรือผู้ใดเล่าที่จะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าหากโปรงจะทรงระงับปัจจัยยังชีพของโรงไว้แต่ว่าพวกเจ้าดื้อรั้นอยู่ในการหญิงยะโสและห่างไกลาจากความจริง ผู้ที่เดินคว่ำหน้าจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่าหรือว่าผู้ที่เดินตัวตรงอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรง จงกล่าวเถิดมูัมหมัดว่าพระองค์ค <feather cider zeit> ือพระผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าและทรงทำให้พวกเจ้ามีหูมีตาและมีหัวใจส่วนน้อเหลือเกินที่พวกเจ้าจะขอบคุณงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าพระองค์คือพระผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าและทรงทำให้พวกเจ้ามีหูมีตาและมีหัวใจส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าจะขอบคุณ จงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าพระองค์เป็นผู้ทรงแพร่เผ่าพันของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปยังพระองค์และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงลอิินนนะมมัา จงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ความจริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น。 พอเมื่อพวกเขาเห็นมันการลงโทษใกล้เข้ามาแล้วใบหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จะหม่นหมองและจะมีเสียงกล่าวว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยร้องขอให้มันเกิดขึ้นอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงบอกฉันสิว่า หากอาลัลลอฮ์ทรงทำลายฉันและผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันหรือจะทรงเมตตาแก่พวกเราแล้วผู้ใดเล่าจะช่วยให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณา เราศรัทธาต่อพระองค์แล้วเราขอมอบหมายแด่พระองค์แล้วจะได้รู้ว่าใครผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอย่า ง, ا, งชัดแจง้นจงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงบอกฉันสิว่า หากแหล่งน้ำของพวกเจ้าเดือดเผือดแห้งลงแล้วผู้ใดเล่าจะนำน้ำที่มากมายมาให้พวกเจ้า